ถ้าใครอยากจะฟังคำํำของหลวงพ่อหรือว่าแนวความคิดของหลวงพ่อนะหลวงพ่อมี MP3 มนพะีสามตั้ง50กว่า50กว่าแผ่นนะมีนานาจิตตังนานาทัศน์นาณ า, น า, นาเรื่องราวนานาอะไรมีมากในธรรมเทศนาหรือว่า MP3 ของหลวงพ่อพระท่านหลวงพ่อเองกออ็ถ้าจะว่าไปแล้วก็มั่นใจนะ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 อย่างวัดป่านาคูนก็มีทุกวันเมื่อไหร่ปีหนึ่งก็มีเพียงครั้งเดียวพผมนั้นขอให้พวกเราคณะทา ญ, ญาติโจมพระเนนพระครูบาอาจารย์น้องนอ ง, นงทั้งหลายคอยๆฟังธรรมเทศนาแนวความคิดของครูบาอาจารย์ที่เป็นรุ่นพี่หรือว่าแนวความคิดท่านองค์หนึง่งมีความคิดเห็นอย่างไรอย่างหลวงพ่อ ได้ไปที่สวนแขงธรรมเมื่อคืนนี้หลวงพ่อก็ได้พูดเกี่ยวกับ เ, เรื่องพระพุทธศาสนาความเป็นมาของพระพุทธศาสนาหลวงพ่อพูดปาลบุอว่าพุทธวจน ะ, ะที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังหลวงพ่อก็ได้ชี้แจงให้กับคณะทัตไายญาติโยมได้ฟังเป็นแนวทางสำหรับ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 แต่ขอให้พวกเราศึกษาอีกแ ล, แล้วกันนะพวงรอบหลวงพ่อพูดเป็นเงื่อนงําเป็นปมให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาที่หลวงตาพูดคํานั้นนะคือคําไหนนะเอออันนี้ก็ ค, คือคือคําพูดหรือว่าคําตัดของพระพุทธเจา้าในพระบาลีก็มีว่าเออพระบาลีคือคําพูดของพระพุทธเจา้าว่าพุทธวจนะยานะอัตตักถาอัตตกถาก็กากากาคือ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 ฟ, ฟ, ฟังทังพับวลีฟังทางอธิกถาฟังทั้งดีกาทางฟังฟังทังอนุดีกาฟังทงั้งสีท่านแล้วจะนี่หลวงพ่อออกมามาเฉลยนะจะนี่เฉลยให้ฟังหมอพระพุทธเจ้าตรัดตรัดอย่างนี้อธิกถาท่านตีความอย่างนี้อนุดีกาในท่านตีความหมายออกไปอย่างนี้อนุดีกาตีอย่างนี้เอออันนี้คือทำมมัทธาที่บาย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 เออมีความสุขจิตใจเน่งมีความสุขจะทำยังไงครับท่านอาจารย์ผมจะมีความสุขมากกว่านี้ อ, อีกแหมจะก้าวหน้ามากกว่านี้อาจารย์ก็บอกอืมถ้าอย่างนั้นก็ออกบวตรักษาศีลสองรยยีสิน220นะออจากนั้นก็คับเออพราะเชื่ออาจารย์ใช่พอจะได้กระบวตในการบวช น, นี่ในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านห้ามไว้นะ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 ให้พิจารณาผมนะเป็นของไม่เที่ยงนะ อ, อโลมาขนนะให้พิจารณาไม่เที่ยงนะเ อ, อโลมาณนาข้าหนะ้าาก็คือเล็บทันตาก็คือฝันตะโจคือหนัง อ, อสอนสวนสอนกรรมฐานห้าเอามันมีเวลาน้อยเอาเพียงแค่นี้ก่อนะคือสอนกรรมฐานห้าซะก่อนจากนั้นก็ จากนั้นก็ไปพาไปหาอาจารย์สอนวินทย์ในี่นี่สอนวิทยในอาจารย์ก็สอนนะท่านเออเมื่อเมื่อเราบวชเข้ามาแล้วนะ เ, เราต้องปฏิบัติตนดังต่อไปนี้ อ, อ, อนุสาสิท์8อย่างกิจที่ควรทำสีอย่างอกรรถนิยกิจกิจที่ไม่ควรทำสี่อย่างกิจที่ควรทำสี่อย่างนั่นคืออะไรกิจที่ไม่ควรทําในสี่อย่างนั่นคืออะไรจากนั้นก็อาบัตต่างๆ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 เข้าไปหาอาจารย์น่อาจารย์ครับผมคงจะปฏิบัติในศีลไม่ได้ผมคงจะลาศิขาลครับเพราะว่าเรื่องศีลเนี่ยสลับซับซ้อนเลือเกินขนาดพูดให้ฟังผมก็ยังจำไม่ได้แล้วผมทำผิดล่ะจะไม่บาป ก, กรรมนั้นจะไม่ตามมาถึงผมเลยผมขอลาศิกขาครับผมจะขอไปรักษาศีลห้าศีลแปดศีลอุโบโสถเป็นคารวาดดีกว่าบำเพ็ญไปเรื่อยๆครับผมรักษาศีล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 นี่ได้ไหมให้อยู่ในนะให้ดูใจของตนเองตลอดได้ครับผมเนี่ยไปเนี่ยถ้าได้ก็ไปรักษาใจอย่างเดียวไม่ต้องรักษาวินัยหรอกพระพุทธองค์ก็ตรัสอย่าง น, นั้นจากนั้นพนะ่อเนี่ยก็เลยมากันรักษาใจอย่างเดียวดูใจของตัวเองเออไม่ให้กับเพื่องไม่ให้มันคิดไปทางอื่น อ, อ, อยูกับกรรมฐานอันใดอันหนึ่ง ย, ยึดแนวอยู่ในกรรมฐาน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 สมาทานสิ่งเจริญพระพุทธมนต์อย่างนั้นก็ได้ทําทานกับองค์ว ง, ง, งหลวงปู่ของพวกเรานี่ล้วนแล้วจะเป็นบุญกุศลเมื่อเราคิดดีแล้วก็ทำดีแล้วก็มาพูดสาธยายอรหังสวากาตุสุปฏิปโ น, โนล้วนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นอันนี้คือมาสร้างคุณงามความดีแต่ถ้าว่าเราทาสร้างความชั่วเนี่ย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 เหมือนกับท่านสองแสวงหาอย่างหนึ่งในพระไทยในใจของพระ อ, องค์แต่มันไม่เจอมันไม่ได้สมความมุ่งมา่นปรารถนาท่านก็เลยทดลองดูว่าทําอย่างนี้ดีไหมทำงั้นดีไหมจนไปศึกษากับลาดาระบทอุตตะดาบดลือศีอยู่ในละแวกนั้นเข้าไปศึกษาท่านลือีเหล่านั้นก็ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญชํานาญในสมาธิท่านก็สอนสิทธัถะพอสอนเข้าไป สิทธฐานเนี่ยทำได้ทำได้ทุกอย่างตามที่ฤาษีด า, าราบทสอนจากนั้นด า, าราบทอายุแก่แล้วเออท่านสิทธฐาไม่มีใครที่จะทำได้เหมือนท่านมีท่านองค์เดียวนี่แหละทำที่สมาธิที่ที่ผมอสอนขอผมอายุแก่แล้วขอให้ท่านมาเป็นอาจารย์ผมจะมอบอาอาวาสให้ลูกศิษย์ให้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 ต่นี้นางสนมกำนันพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็ไปด้วยพอไปเสร็จแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็พระเจ้าจุดโทธนาก็ลงไปแลกนาขวัญในท้องนาแต่ได้เขาก็ให้ิท ธ, ธิฏถะท่านก็คงจะนอนตื่นแต่เช้าก็คงจะงัวงเงียคงจะลกน้องไอพี่เลี้ยงนางนมทั้งหลายกับปู เ, เสือปูที่หลับนอนแล้วกับให้ทธธิธฐา บรรทมอนอนอยู่ที่อยู่ที่อาสนะนั้นแต่นนี้พวกที่เลี้ยงนางนมทั้งหลายก็จะจะไปดูที่ พ, พระเจ้าจุดโททนะแลกนาขวัญก็เฮโลกันไปปล่อยให้พระลูกเจ้าคือสิท ธ, ธะนอนอยู่ตามลําพังในเมื่อสิท ธ, ธะนอนอยู่ตามลําพังมองไม่เห็นใข่พอตื่นขึ้นมามองไม่เห็นใข่เออมันอยู่ในที่สงบในเปียว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 ที่มันแดกสองตอนบ่ายแต่วันนั้นต้นว่าเนี่ยเหมือนกับกลางมุ้งเลยแดดเข้ามาไม่ถึงชิตทัตตะเป็นที่อัศจรรย์ของพี่เลี้ยงนางนมคงจะทําพิธีนานพอสมควร น, น, นะไถนาจากนั้นกลับขึ้นมาเห็นชิตทัตตะนั่งขัดสมาธิอยู่ตามลําพังจากนั้นก็ชิตธธทัตตะท่านก็ออกจากสมาธินี่แหละอันนั้นคือครั้งแรกที่พระพุทองค์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 ได้ในในช่วงหนึ่งแต่ที่ไหนได้นะิทธาฐาเนี่ยพอออกมาบวชเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายเท่เนี้ในขณะที่ไปสมสวนอุทยา น, นแล้วก็เห็นส ม, มณะสั ม, มณะขึ้นนักพรตนักบวชเห็นคนแก่ขึ้นมาสลดใจเออทำไมคนจึงแก่ถ้าเห็นคนเจ็บอีกอ้าวทำไมคนจึงเจ็บอ้าวทำไมเห็นคนตายอีกทำไมคนจึงตาย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 หาไม่เจอแล้วเนะี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือพี่พระองค์มองดูในเที่ยงคืนนั่นนะ่ะท่านวัดจู่ปะปาแต่ยานการจุติของสัพสัตทั้งหลายปัจจุบันนักรรมนี่คืออะไรปัจจุบันนักรรมก็คือเนี่ยอย่างสมมตว่าพวกเรานั่งอยู่นี่นะลุกขึ้นมามัวเมียขึ้นมาเอามีดไปจ้วงแทงคนคนหนึ่งตายเน่ พ, อ, พอตายแล้วจะได้เขาไม่ปล่อยให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 ประกาศความบริสุทธิ์ในวันเดือนหเพตนั้นจากนั้นพระองค์ก็ได้สเสวยวิมุตติสุขอยู่ในในละแวกนั้นอยู่ที่คโคนอยู่ที่ต้นโพเจวันอยู่ที่ต้นไซเจวันอยู่ที่สะมุจลินเจ็ดวัน อ, อยู่ในละแวกนั้ น, นรวมกันแล้วก็ฟังฟังโดยประมาณ 6- กหรือเอาทิตย์เหมือนกันน ะ, ะพระองค์สเสวยวิมุตติสุขจากนั้นทางก บ, บองเออเราจะไปโปรตไข่นะเราจะไปโปรดใครหนะอะ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 ที่พระพุพทธองค์ได้ตัดสรู้เสร็จแล้วพระองค์อยู่เสวยวิมุตติสุขอยู่ในแต่ละแห่งที่ได้เจ็ดวันเจ็ดวันพระองค์ก็กันกลองไตตองในพระไทยของพระองควกเราทำของเราที่เราได้ตัดสรู้ธรรมนี่มันทวนกระแสของโลกจริงๆโลกของเรานี่ยโลกของเขานี่วิ่งไปในทางราคะโทสะโมหะโลกโกรธหลงแต่ใจแต่ธรรมะของหลรามันย้อนกระแส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 มันยังไม่จะเข้าสมาธิถ้าได้ไปกราบองค์ uman, หลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นบอกว่าเอยเออจะให้มันอยู่ในสมาธิได้ยังไงต้องบังคับให้ออกเออถ้าไม่บังคับออกมันจะเห็นผลงานได้มันจะเห็นผลงา น, น, น, งานยังไงต้องออกบังคับให้ออกเออจากนั้นหลวงปู่มัน่นดูหลงตาจึงเข้มค้นจึงหลหลวงปูกตาก็าเรยออกไปพอออกไปได้ไงไปไปภาวนาไปพิจารณาเทอานี้พิจารณาเนี่แหละพิจารณาอะไร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 ร่างกายไม่ใช่ตัวตนของเราแล้วเราก็ย้อนมาหาใจเออใจเออเธอจะไปหลงอะไรเออเห็นไหมสิ่งเหล่านั้นมันไม่ใช่ของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะมันจะต้องแตกตายสลายไปสู่ตามสภาพของมันนะ่ะใจของเราจะไปหลงมันอยู่เลยพอย้อนเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจบ่ใจท่านี่ใจดูใจเนี่ยใจมันก็มองโดนมันเป็นสังขารคือความปรุงแตกในใจนะีย่ยับยับยับยับยบเออ